ไม่ต้องประมาทหลานี่เราไม่เพ่เป็นบวชแล้วฉันเข้าในบาตรอาหารเนื่องวยผู้อื่น <c oughs> <c oughs> สมควรที่ฉันเข้าในบาตรไหมเรามีอนันสงอารลายไม่ฉันเข้าในบาตรมีประโยชน์อลไรผู้ที่ให้ข้าวเราฉันในบาตร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 เวลาเราตั้งใจที่รู้ไปในกายมีอะไรมันสดแช่ขึ้นมามารู้ทุกถ้าหายเจเขารู้หายจะออกรูก้วิหนาอยทีหนึง่งรู้ทีหนึง่งมารู้ทุกเปีนโนทีมาเห็นใบในจังงี้ความหลงเกิดขึ้นขณะที่มีความรู้คู่กันไปก็เปลี่ยนตัวหลงเป็นภาวะที่รู้ <c oughs>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 ไม่จะต่างกันอันนี้เรียกว่าวิปัสนาทุละเปลี่ยนล้ายเป็น hmm. ดีเป็นงานของพวกเราอย่าประมาทที่นี่งานแบบนี้ก็เหมือนกันหมดจะเป็นนักบวชหรือคาบวญาโยเหมือนกันเตรียมตัวไว้ทย่ายย่าโยมคาบวะนั้น อาจะไม่สะดวกมันนักบวช น, น, นักบวชนี้มีทำวินัยประเทศไทยยอมรับถ้าประเทศอื่นไม่ยอมลัประบินท่าบาทเขาจับบาประเทศไทยปบินทบาทเขาไม่จับไปอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ <c oughs> ไปไปศึกษาพุทธศาสนาเรียบเทียบที่ฟิลิปปินส์ เขาก็ยอมให้เราทำว่าขอบินทบาทเา้าบอกว่าบินไได้ตำรวจจับทำยังไงจึงจะบินทบาทได้แล้วเราพิาจรารณาเปรียบเทียบปลิเปี่ยนเป็นวางคิดาศาสตศาสนาเราอยากรู้เราทำงานให้เขาได้เรียนรู้ ก็เลยหาเรื่องที่บินทบาดนะนะแต่คิดาจาจสดงให้เขามีมพ่อมีลูกกันเต็มบ้านเต็มเมืองใครไปทำคอ้อให้ใครก็ถือว่าคนนั้นเป็นลูกคนที่คออออกมาจากผู้ทำคอ้อเรียกผู้ทำข้อบอกว่าคนนั้นว่าเป็นพ่ อ, พอเป็นแม่แมกับไม่ทิ่งกัน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 ถ้าคิดไปเงินก็หลายบาทเราก็อยู่ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้เราจรึงจะทำอย่างไรอย่าทิ้งธุระของเราคัดทาธุระศึกษาอย่าอยู่เฉยอย่าประมาทที่ปัจจาระธุระฝึกตนสอนตนเตือนตนโดยเพราะกรรมฐานนี้วิปัจจารธุระนี่มีสติเนี่ยมันใจประจบการณ์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 แล้วก็แสดงทําให้ยอดสาวปรวชได้เห็นเรื่องนี้จนโอกบวชพมอมาด้วานสี่สิบห้าคนให้เราทําอย่างนี้จะได้ในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเราพยายามเป็นเพื่อนคนหลงให้ได้ก็ะยามเป็นเพื่อนคนที่ทุกข์ที่โกรธที่ผิดให้เป็นถูกให้ได้ ถ้าทายสักหน่อยเรื่องนี้อย่าปะกันทิ้งมีความทุกข์อะไรแน่นอนที่จุดเกิดเจ็บเจ็บตายเป็นคนที่ทุกข์ทำไงยึงช่วยคนเรื่องนี้ได้นอกจากความพอใจความไมพอใจความโกรธความโลกของหลงเล็กน้อยถ้าความเก่ความเจ็บความตายมันยิ่งใหญ่ไม่มีใครที่ประเศษได้ไม่มีใครตายจากการหัวเราะสนุกสนาน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 ถ้าเวลามันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธเป็นทำยากทำไม่ได้เลยเพราะไม่เคยฝึกเราจึงมังหัดกันแบบนี้ถ้าเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนโกรธเป็นรูปเปลี่ยนทุกข์เป็นรูปไปมันก็จะลาดไปหลายอย่างยงแต่มีความรู้ก็มันก็เปรับความชั่วแล้วมันก็ทำความดีแล้ ว, ว, ลวจิตก็บริสุทธิ์แล้วมัน <c oughs> ไปเป็นพวงแบบนี้ ันเป็นกลุ่มไปแบบนี้เป็นกุศลเป็นหมูกุศลเป็นหมูกุศล เ, เหมือนความมืดกับแสงสว่างเมื่อมีความสว่างก็มองเห็นอะไรได้ถ้าเมืความมืด ก, ก็มองไม่เห็นเราจึงมีความรู้เหมือนแสงสว่างจะเห็นเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงหน่ะไปแล้ววะแนว เห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันไปแล้วเห็นหลงเข้าไปจาะคามหลงมันเป็นเหตุอยู่ตรงนี้มันจึงเห็นได้ทุกคนไม่ยกเว้นเรามีสติจะเจอคมหลงต่อหน้าต่อตาหน้าด่านจ ะ, จะเอะกันเลยทีเดียว อันหนึ่งหลงอันหนึ่งลูง้พ อ, นนอดีกันเป็นคู่กันแล้วก็มีโอกาสที่เปลี่ยนหลงเป็นรู้เวลามาโกรก็เปลี่ยนโกรไเป็นม่โกร <c oughs> จะไม่ชำนานจนจ น, จนติ็นแปะลิ่งยาได้ชำนานการฝึกตนอสอนตอนมันเป็นไปได้ไม่ใช่ฝึกไปได้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 ชำนาญขึ้นอยากให้มันหลงโดยซ้ำาปอยากให้มันทุกข์โดยซ้ำาปจนมันไม่มีหลงมไ ม, ม่ทุกข์แล้วนะทำอะไหไปกันโลกนี้ล่ายอยู่จริงๆไม่มีอะไรที่จะมีคืนลาบเรียบไปเลยไม่มีคืนอะไรในโลกนี้ภูผูแพรแพกทลุมไร่คมนีจะไม่มี มีกายก็มั่นใจในกายมีใจก็มั่นใจในใจได้มีครอบมีคัวมีผัวเมียก็มั่นใจทุกคนมีลักษณะแบบนี้ก็มั่นใจพึ่งกันได้ถ้าไม่มั่นใจก็คุมรอยคุ้มดีก็ตัวเองก็พึ่งตัวเองไปได้เราพึ่งกันมันก็ยิ่งไม่ได้อีกเราจึง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 ล้วมองอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องมองแต่รักแต่เกลียดชังกันพุ้มไร้คุมดีไม่ใช่ภาคใต้ก็มีเพลงแบบนี้ผ้ออาหานลิเกกลางทะเลชีพึ่งอันนี้ก็มีจำไม่ได้นะขอโทษนะจำไม่ได้ <laughs> หัวสมปอง